วันนี้เป็นวันครบรอบปีที่เก้าของคณะจุลธรรมที่ได้มาเริ่มฟังเทศลังธรรมตั้งแต่เดือนมิถุนาพศ2548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 ตามที่หมอหมอบไปให้ได้หรือไม่ถ้าสามารถรับประทานยาตามที่หมอสั่งไปโรคไปคือโรคของความทุกข์ใจก็ต้องหายไปเพราะยาธรรมโอสดนี้ได้รักษาโรคของความทุกข์ใจ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 พระพุทธศาสนานี้สั่งสอนคนนอกศาสนาทั้งนั้นเพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสุรุนั้นยังไม่มีพุทธศาสนิกชนมีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวบุคคลต่างๆที่มาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนจนได้บรรลุ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 พราะพระพุทธเจ้าในพระพุทธคุณก็แสดงไว้แล้วว um ่าเป็นสัตถาเทวมนุษย์ศาสนงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอย่าว่าแต่มนุษย์เลยเทวดาที่เราไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ก็ยังนับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาฟังเทศน์ธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้รับประโยชน์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 ชาวไทยที่นับเสือพุทธศาสนาในทะเบียนประมาณ 90% ซแต่การประพฤติของชาวไทย90อร์นี้ไม่สอดคล้องกับการเป็นพุทธาศาสนิกชนเลยเพราะถ้าเป็นพุทธาศาสนิกชนจริงนั้นจะต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งคือต้องมีความเชื่อฟังมีความเคารพ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นทำบุญใส่บาตรทุกวันเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมในวันพระละเวน้นอบายามุขต่างๆเช่นการเดืนสรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนควบคนชั่วเป็นเม็ดและความเกียดค้าน ในทางความเป็นจริงนั้นชาวไทยเราชาวพุทธไทยเรานี้ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดปล่อยให้มีสถานแดงบันเทิงต่างๆที่เที่ยวกลางคืนออกบานเหมือนดอกเห็นมีสถาบันการเล่นการพนันถูกต้องตามกฎหมายคือสลาดเป็นแบ่งของรัฐบาล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 เพราะถ้าเป็นชาวพูดอย่างแท้จริงนีจ่จะปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดและจะได้รับอนิสงค์จากการปฏิบัติตามก็คือได้ดับความทุกข์ตามกําลังของการปฏิบัติได้รับอนิสองค์อย่างน้อยที่สุดก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย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 ขั้นต่างๆถ้าภาวนาทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็จะเป็นพรหมขั้นต่างๆถ้าเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจสีได้ตัดกิเลเตันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ก็จะบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆ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 สำคัญสําคัญของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะยังศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อีกวิธีหนึ่งก็ศึกษากับพระที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบพระที่ได้ปฏิมรมผลนิพพานแล้วถ้าเรารู้ว่าที่ไหนมีพระอย่างนั้นอยู่เราก็สจะไปศึกษากับท่านเหล่านั้น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 โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีวันหายได้ชู้อยากไปให้เสียเวลาดีกว่าถ้าไปรับยามาแล้วก็ต้องนําเอายานั้นไปรับประทานเพราะเมื่อรับประทานยาแล้วยาจะได้ทําหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้โรคภายไข้เจ็บก็จะหายได้อย่างแน่นอนเพราะยานี้ได้รักษาโรคนี้มากับคนไข้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้ว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 พอเราซื้อมาแล้วนี่เรารีบรับประทานกันเลยใช่ไหมอพอเราเชื่อประสิทธิภาพของยาอพอรับประทานเข้าไปแล้วไม่กี่วันก็หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแต่ถ้ามา ย, ยาอันวิเศษที่จะรักษาโรคที่รักษาได้ยากแสนยากนี่กลับไม่รับประทานกันเป็นยาที่นานๆจะมีผู้ผลติตออกมาจำหน่ายสักครั้งหนึ่ง นานๆานจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกสักครั้งหนึ่งแล้วทำไมเราจะไม่รีบกันสมมติว่าถ้ามีบริษัทยาลิลยารักษาโรคเอกหรือรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้นี้เราจะซื้อมารับประทานกันหรือไม่ถ้าเราเป็นโรคเอกถ้าเราเป็นโรคมะเร็ง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 ศีลแปศลสิศลสองิบและศีลสามกว่าข้อศิล8ก็ของอุบาสกอุบาสิกาหรือแม่ชีศิลสิก็ของสามเณรศีลสองิบเจก็ของพระภิกษุศิลสามกว่าก็ของพระภิกษุณีถึงแม้ว่าสมัยนี้จะไม่มีพระภิกษุณีถ้าเราอยากจะเป็น ภิกษุณีใครจะมาห้ามเราได้ภิกษุณีอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่โกนหัวห่วมผ้าสีเหลืองหรือว่าอยู่ที่มีศีลสามร้อยกว่าข้อนี้ถ้เาเราอยากจะเป็นภิกษุณีเราก็ไปอ่านศึกษาดูเสียว่าภิกษุณีรักษาศีลกี่ข้อกันมีอะไรบ้างเราก็รักษามันไปเมนจะเป็นจะต้องโกนหัวห่วมผ้าเหลืองให้คนเข้ามารับรองมาเคารพยับถือเราเลย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 ก็เริ่มที่ศีลแปดก็ได้เนีศีลแปดที่แม่ชีอุบาสิการักษากันอยู่นั่นก็เป็นศีลของนักบวชแล้วพอที่จะสนับสนุนการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสามารถบรรลุมรรคผลนี้ผ่านได้ด้วยศีลแปดแต่ถ้าอยากจะเข่งกันนั้นถ้าเป็นชายก็บวชถ้าเป็นเด็กก็บวชเป็นสามัญเองก็รักษาศีลสิบ เป็นชายก็บวชเป็นพระรักษาศีลสองร้อยิบเจ็ดเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีรักษาศีลสามร้อยกว่าข้อไปศีลสามร้อยกว่าข้อนี้ก็ยังมีจารึกอยู่ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าลองไปเปิดดูในวินัยปิดดอกดงจะมีศีลจะมีเล่าเหตุผลของการเกิดขึ้นของศีลข้อต่างๆให้เราเข้าอกเข้าใจกัน เราก็ศึกษาดูแลเราก็รักษาของเราไปเราไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามารับอรองเราสมัยที่เราเริ่มปฏิบัติเราก็ไม่ได้ไปขอศีลจากพระไม่ได้เคยไปวัดอ่านจากหนังสือเมื่อรู้ว่าต้องรักษาศีลอะไรเราก็รักษาของเราไปไม่เห็นจะต้องไปเข้าวัดไม่เห็นจะต้องให้พระมาให้ศีลให้ให้พร อ, อะไร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 เราอ่านแล้วเราก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเลยไม่ดีกว่าได้คําสอนที่ถูกต้องแม่นยําเพราะบางทีผู้ที่ไปอ่านมาไปศึกษามาอาจจะจําคลาดเคลื่อนก็นได้เวลามาสั่งสอนเราอีกทอดหนึ่งก็อาจจะสอนไม่ถูกต้องก็ได้แตถ้าเราได้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย เราก็จะได้คําสอนที่ถูกต้องแม่นยำํำเราก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างได้ผลถ้าถ้าคําสอนไม่ถูกต้องผลก็จะไม่ถูกต้องเหตุไม่ถูกผลก็จะไม่ถูกดังั้นคำสอนต้องเป็นคําสอนที่ถูกต้องแล้วก็จะทําให้เรามีมีหลักมีเกณฑ์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 อากขั้นสมาธิถึงจะเข้าสู่ขั้นปัญญาเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาท่านไม่ให้ข้ามขั้นตอนท่านตัดสอนไว้เลยว่าสมาธิที่ศีลอบรมแท้ที่ศีลอบรมแล้วนี่จะมีอานิสงส์มีประโยชน์มากคือ ส, สมาธิที่ได้รับการอบรมด้วยศีลก็คือผู้ที่จะนั่งสมาธิให้ได้ผลนี่จะต้องมีศีลก่อนแล้ว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 เกิวความทุกข์ขึ้นมาก็ดึงใจให้กลับเข้าไปที่ตรงอุเบกขานั่นเองด้วยการใช้ปัญญาด้วยการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขงังนาตาพอใจเข้าใจหลักว่าตอนนี้ทุกข์ไม่อยู่ในอุเบกขาก็เพราะว่ามีความอยากพอมีความอยากมันก็จะออกจากจุดของอุเบกขาไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจหายไป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 แล้วเราหยุดความอยากไม่ตายได้ใจก็กลับเข้าสู่เบกขาใจก็เย็นพอปรองได้แล้วใจก็เย็นสบายไม่ทุกข์กับความตายต่อไปอย่างนี้จึจะเรียกว่าเป็นภาวนามย์ปัญญาภาวนาก็บอกแล้วว่าต้องมีสมถภาวนาก่อนจึงจะเป็นวนามย์ปัญญาเป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ใจได้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 สันใดทมต่างๆที่พระพุทธเจ้าให้เราก็มีหน้าที่ต่างกันการทาทานก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งการรักษาศีลก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งการเจริญสมาธิเจริญสติก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งการพิจารณาไตรักพิจารณาอริยสัจรีก็มีหน้าที่หน้าที่ต่างกันไปไม่เหมือนกันขาดไม่ได้ต้องมีทั้งให้ครบบริบูรณ์ให้ครบสูวนเมื่อครบส่วนแล้วการดุจ้น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 ท่านจึงสอนให้เราพิจารณาอนิจจังทุกขังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ตลอดเวลามีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรากลับมองไม่เห็นกันไม่เห็นอนิจจังเห็นเห็นอะไรก็เห็นเป็นนิจจังไปหมดเห็นอะไรก็เป็นสุขขังไปหมดเห็นอะไรก็เป็นอนตาไปหมดเป็นของเราไปหมดแล้วพอมันไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พอเราอยากจะให้มันเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาแต่มันบอกไม่ใช่เราเป็นน้นจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่ยอมเชื่อมันใช่ไหมมันกลับละมันกลักลบลาไปเจอคนนี้เขาบอกเขาชื่อสมชายโอไม่ใช่คนชื่อสมศักดิ์เขบอกไม่ใช่ผมชื่อสมชายก็เถียงกันอยู่นั่นเราไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าของต่างๆในโลกนี้เป็นนิจจังทุกขังอนัตตากัน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 เห็นเงินก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาฟักก็ไม่อยากได้เงินเห็นยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะไม่อยากได้เห็นสรรเสริญก็ไม่อยากได้ใครอยากจะชมไม่ชมก็ไม่สนใจเขาชมได้เดี๋ยววันเมาวันเขาก็ไม่ชมก็ได้เวลาเขาไม่ชมเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เราต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตวาดเวลาถึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาที่ ละตัญหาความอยากได้เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้นี่คือเรื่องของธรรมโอษฐ์ที่พวกเราได้มารับไปรับประทานรับไปเพื่อรักษาโลกของความทุกข์ใจกันขอให้พวกเราเอาไปรักษากันอย่างจริงจังเถิดตอนนี้ก็รักษากันมาต้องเก้าปีแล้วจนกระทั่งหมอก็เบื่อที่หน้านะมาที่ไลกก็มารับยา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้โกนศีษาะให้เห็นเลยไม่ได้นุ่งขาวผมขาวให้เห็นบ้างอ้าวนั่นแ่ะคือคนที่หายทุกคนที่หายทุกเขาไม่รู้จะเก็บผมไม่ทำอะไรเขาเห็นว่าผมมันเป็นทุกข์เกะ ก, กะลำบากลาบนต้องคอยสระต้องคอยเซ็ดต้องคอยหวีต้องคอยแต่งอยู่เรื่อยถ้าโกนหวมตัดมันทิ้งไปหมดก็สบายเวลาอาบน้ำก็สบายไม่ต้องมาเช็ด รับเดียวก็แห้งแล้วไม่ต้องใช้แชมพงแชมพูไม่ต้องใช้ยาอะไรรักษาลังคงลังแครอะไรต่าง <c oughs> มันความทุกข์ทั้งนั้นแต่มองไม่เห็นกันเพราะไม่กินยา น, นั่นเองไม่กินยาทรรมโอสถของพระพุทธเจ้าก็คืออนิจจังทุกขงังอนัตาร่างกายมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ ดังนั้นก็ขอให้ท่านจงได้เอานำธรรมโอสถที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิพิจารณาละาไปปฏิบัติเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราตลาิกปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปการปติอิจตังปฏิตังตุมหังคิดเมวะสมิจตุสพเปโหริตุสังกปาจันโทปนาละโสยถามณิโชติละโสยถาสภิติโยวิวัจจนตุสัพพโรโขวินัสสตุ มาเตผวะตวันตาลาโยสุขีทีคายุโกผวะอภีวาธนสีลิศะนิจังุทธาปจายโนจตารโอธรรมวัฏานเตอายุวันโอสุขังภาลั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 เวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ละความอยากในสิ่งต่างๆได้เคยอ่านหนังสือมีคนเขาเขาแบบนั่งสติอยู่อยู่กับตัวเองตลอดนะฮะคือลืมตามเลยก็ตามแต่นะแต่แล้วก็ตแ ต, นะแ ต, แตผ่ผมก็เลยสงสัยว่าตอนที่อ่านนี้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 แต่การท่องกอไก่คไข่เป็นอย่างเดียวนี่มันยังไม่ทำให้เราอ่านออกเขียนได้เรายังต้องรู้จักการสะกดรู้จักกฎไวยากรณ์ต่างๆถึงจะอ่านออกเขียนได้และเข้าใจความหมายได้ต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันบางทีเขาพูดย่อๆว่าเออนวันสติไปแล้วก็จะได้ทุกอย่างอันนี้ก็ถูกเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดคือมีสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ เป็นสมาธิเป็นฌานได้พอออกจากสมาธิจากฌานมาถ้าต้องการที่จะก้าวไปเกินสมาธิก็ต้องพิจารณาทางปัญญาพิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นเพื่อที่เราจะได้ตัดความอยากได้พอตัดความอยากได้ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้จนถึงขั้นสูงสุดได้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 ตอนนี้เราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปจับนี่มันเป็นงูมันไม่ใช่เป็นปาลาไหลกันดังั้นเราต้องสอนใจว่าอย่าไปจับอย่าไปแต่ต้องทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นงูมันไม่ใช่เป็นปาลาไหลเป็นงูเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วต้องมีเสือ่อมเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้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 ก็ไปหลงอยากได้ความสุขจากทางตาหูจมูกก้นกายแทนก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปหาความสุขเหล่านั้นเพราะมันเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้พอรู้อย่างนี้เราก็หยุดหาหยุดแสวงหาความสุขภายนอกเราก็กลับเข้าหาความสุขภายในเพื่อความสงบเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติ ถ, ถ้าถ้าถมมติบทพระเนี่ยนะครับแล้วถือศีลสองรยยี่สบเจดข้ออย่างเดียวนะครมีโอกาสบรรลุนิพพานไหมครับโดยไม่ปฏิบัติไม่ล่ะถ้ารักษาศีลได้อย่างเดียวก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ได้อย่างมากก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือได้เป็นเทพถ้าใจบุญสุนทาน ถ, ถึงแม้จะ221ข้อก็ตามแต่ใช่ไหมครับ 1,000 ข้อมันก็มันก็อยู่ในระดับศีลเท่านั้นเองอะระศีลทั้งหมดนี้ที่สำคัญก็เพียง4ข้อเท่านั้นเองสำหรับพระก็คือป ร, ราชิก4ีก็เหมือนศีล5ของคาลวานเนี่ก็รักษาความเป็นมนุษย์ไว้เท่านั้นเองอแสดงว่าการานิพพานมีช่องทางเดียวคือ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 ชั้นประถมชั้นมัธยมแล้วถึงจะเข้าสู่ชั้นอุดมศึกษาตามลําดับไปเวลาทั้งสมาธินานๆนะครับแล้วพอถึงจังหวะหนึ่งจะบวดขามากนะัก่นควดจะข้ามไปให้ผ่านหรือว่าถอยกลับมาดีครับถ้าเราอยากจะนั่งต่อเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เราจะได้นนั่งได้นาน เพราะการมีสมาธินานๆนี้จะทำให้เรามีพลังเยอะพลังต่อต้านควากิเลสตัณหาได้ถ้าเราไม่มีเรานั่งไม่นานเราก็จะมีพลังน้อยเนี่ยพอมาเจอความเจ็บปั๊บเนี่ยตัณหาก็จะออกมาทีความอยากจะหนีจากความเจ็บไปเราก็ต้องใช้อุบายมีสองอุบายด้วยกันอุบายแรกเรียกว่าอุบายของสมาธิหรือสติ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 ใช้ธรรมโอสถดีกว่าสบายกว่าปล่อยมันเจ็บไปมันจะเจ็บมันมีเหตุทําให้มันเจ็บมันก็ต้องเจ็บเดี๋ยวเหตุนั้นมันหมดไปมันก็หายเองเราอย่าไปเจ็บกับมันเท่านั้นปัญหาจะไม่มีทําไมทําไมพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามทันเลยนะครับ ท, ทั้งนั้นมีศีลห้ามฆ่าสัดคือเป็นพระเป็นเหมือนขอทานางจะไปบอกคนให้ว่าฉันจะกินแบบนั้นกินแบบนี้ได้อย่างไร ใช่ไหมขอทานนี่เขาบอกหรือเปล่าเจ้าขอแบงพันอย่างเดียวแบงค์แบงค์ยี่สิบไม่เอาบอกไม่ได้หรอกใช่ไหยเขาจะให้อะไรก็เอาอท่านสอนให้พระอยู่แบบเรียงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายเรียก ง, ง่ายไม่ไปบรบกวนผู้อื่นมากจนเกินไปแล้วก็ให้เป็นไปตามศรัทธาของผู้ให้ผู้ให้อยากจะให้อะไรก็ให้มาส่วนพระจะกินไม่กินนีพ่พระมีสิทธิ์ที่จะเลือกทีหลังถ้าจะกิน กินเจก็เข้าเรียกเจเขียฮรู้จากเจเขีย่ยไหมอะไรที่เป็นเนื้อก็เขีย่ยมันออกไปกินแต่ผักกินแต่ข้าวก็ได้แต่จะกินอะไรมันก็ถ่ายออกมาเป็นขี้เหมือนกันแล้วมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันอ่ะก็คือรักษาร่างกายให้อยู่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หิวไม่ทรมานเนั้องมันหน้าที่ของอาหารก็มีเท่านั้นคนที่กินเนื้อสัตว์กับไม่กินเนื้อสัตว์นี่ไม่ได้ทําบาปไม่มีไม่มีการทําบาปจากการกิน บาปเกิดจากการฆ่าถ้าเราฆ่าแล้วฆ่าถึงแม้จะกินไม่กินมันก็บาปแล้วคนกินเจแต่ไปฆ่าสัตว์อย่างนี้มันก็บาปแต่คนที่ไม่กินเจแต่ไม่ได้ฆ่าไม่บาปพะฉนั้นเราต้องให้รู้ประเด็นประเด็นสำคัญอยู่ที่การกระทาไม่ใช่อยู่ที่การกินกินอะไร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 ถ้าไม่คุ้มก็หุบปากเสียอยู่เฉยๆทำใจให้เป็นอูแบ่งขาโปงเสียว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปใครทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นไปเรื่องก็จบคำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับเพิ่งเริ่มเข้าวัดและศึกษาธรรมะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามากขึ้นเนื่องจากมีทุกเรื่องสามีมีหลัก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 ไม่ให้ทุกข์แต่เห็นทุกข์ก็ให้ดูว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้และเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เกิดจากความอยากของเราให้บุคคลนั้นบุคคลนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นีเนน้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อพอไม่ได้เป็นดังใจอยากเราก็ทุกข์ใจเช่นอยากให้สามีรักเราเหมือนตอนที่เราเพิ่งคบกันใหม่ๆรู้จักกันใหม่ๆ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 พอมันทังไปแล้วก็ย้ายบ้านใหม่เท่านเปลี่ยนบ้านใหม่เราไม่ได้ตายไปกับบ้านไม่ได้ทังไปกับบ้านเราก็เรากับร่างกายก็เหมือนกันเราเป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นดินน้ําลมไฟอาการสามสิบสองใจนี่เป็นผู้รู้รู้สึกนึกคิดผู้รู้สึกนึกคิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายสอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแยกแยกใจออกจากกายอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะหายกลัว คำถามข้อต่อไปนะครับจิตที่เป็นสมาธิและมีเมตตาคือเป็นจิตที่ต้องการจะให้เพียงอย่างเดียวทุกครั้งที่สร้างบุญสร้างกุศลมีความจําเป็นต้องแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนกุศลอีกหรือไม่และผู้รอรับจะได้รับหรือไม่คือการแผ่เมตตากับการอุทิศ ส, ส่วนบุญนี้เป็น2เรื่องต้องแยกกันไว้ก่อนการแผ่เมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่น อันนี้ต้องแผ่ตอนที่เราเจอผู้อื่นเวลาอยู่คนเดียวจะไปไปแผ่ให้ใครใช่ไหมจะไปยิ้มให้กับใครใเวลาเจอคนอื่นเนะ่ถึงต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาอันนี้ต้องแผ่ตอนที่เรามีเหตุการณ์เวลาที่เราโกรธใครเขาทำให้เราเสียอกเสียใจแล้วอยากจะฆ่าเขาอย่างนี้ เราก็ต้องแผ่เมตตาก็คือให้อภัยไม่ถือโทษกดเคืองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแต่เราต้องซ้อมไว้ก่อนเวลาเราไหว้พระสดมนั่งสมาธิเสร็จใจเราเป็นใจที่สงบเย็นสบายมีเหตุมีผลตอนนั้นเราก็ซ้อมให้อภัยซ้อมไม่จองเวรซ้อมทักทายปลาใสอ่านี่เรียกว่าเป็นการทำการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อน พอเวลาเราไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะได้ทำได้นี่เรียกว่าแผ่เมตตาส่วนอุทิศบุญนี่ก็คือแบ่งบุญที่เรามีอยู่นี่ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแต่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนี่จะรับได้แต่บุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการภาวานานี้เขารับไปได้เพราะมันเกินฐานะของเขาเขารับได้แต่บุญที่เกิดจากการให้ทานางั้นถ้าเรามีผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว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 ก็ต้องมาขอให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ช่วยส่งบุญไปให้ก็ต้องให้ผู้มีชีวิตอยู่ใส่บาตรหรือทำบุญแบบไหนก็ได้ให้กับใครก็ได้แล้วก็ให้อุทิศบุญที่ทำในวันนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นการอุทิศบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แสดงว่าการอุทิตเนี่ยก็ต้องทําทุกครั้งหลังจากที่สร้างบุญสร้างบุญสนแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าเรามีคนจะรับหด้วยไหมถ้าเราไม่มีคนรับเราก็ไม่ต้องอุทิตแต่ถ้าเราไม่รู้จักใครเราอยากจะให้สรรพสัตว์เราก็อุทิศได้เพราะว่ามีผู้ที่ตายไปแล้วไม่มีญาติที่จะมาทําบุญอุทิศให้อย่างน้องตาท่านทุทกปีวันที่30มสิบพฤษภาท่านจะทําจัดงานทําบุญปล่อโลกธาตุ ผู้ที่ส่วนบุญส่วนก็ส่นให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วที่ไม่ที่ไม่มีญาติที่จะส่งบุญไปให้ก็ให้เราทําเผื่อเข้าไปด้วยในเวลาเราอุทิศนี้เราสามารถที่จะกําหนดบุคคลที่จะรับได้ตามลําดับเหมือนกับเราเขียนพินัยกรรมอย่นี้บุคคลแรกคือนายกคนที่สองคือนายขอว่างไปจนถึงศสรรพสัตว์ที่เราไม่รู้จักเจ้าคำนายเวนที่เคยเป็นคู่ คูเวรคู่กรรมกันมาก็ให้เขาไปเผื่อพบหน้าชาติหน้าเจอกันจะได้ไม่โกรธแค้นโกรธเคืองกันอันนี้ก็ทําได้ในลักษณะเช่นนี้หากเหมารวมว่าเป็นญาติพี่น้องทั้งหมดให้มารับอุทิศอ่า ส, อสุวนบุญนี้ได้ไหมครับอาจารย์ได้ความจริงก็พวกเราก็เป็นญาติพี่น้องกันนะก็เกิดกันมาอาจจะมาเกิดในบ้านเดียวกันพ่อแม่เดียวกันเพราะเราเกิดกันมาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแนะ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 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอรับอยู่เสมอไปเขาอาจจะเป็นเศรษฐีบุญ<ม>เขาได้ทำบุญเยอะในขณะที่มีชีวิตอยู่เขาตายไปเขาก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นเศรษฐีบุญหรือว่าถ้าเขาไม่ทำบากก็กลับไปเกิดเป็นมนุษย์เขาไม่ต้องมาเป็นเศษเพราะฉะนั้นทำก็ทำเผื่อไว้ก็แล้วกันหรือในกรณีที่ที่จะทาจริงๆก็คือเวลานอนหลับแล้วเขามาเข้าฝันอย่างนี้ มาฝันว่าขอสิ่งนู้นสิ่งนี้ตอนนี้ตกทุกข์ยากยากลำบากเหลือเกินอย่างนั้นก็เราก็ทําอุทิศไปให้เขา ท, ทัานจารย์คะในกรณีที่เราไปเยี่ยมผู้ที่ป่วยแล้วสมองตายแล้วเนื่องจากเส้นเส้นโลหิดแตกนะคะเขาก็จะไม่สามารถโต้ตอบเราได้เราไปบอกให้เขาเนี่ยนึกถึงบุญให้เขาภาวนา แต่มันไม่มีการโต้ตอบไม่ทราบว่าจิตเขาออกจากร่างไปได้ยังคะในกรณีอย่างเนี้คะ่ะยังหรอกเขาถ้าร่างกายยังไม่ตายนี่จิตก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าร่างกายนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปให้ใจที่ที่ที่ใช้ร่างกายเป็นสื่อได้เหมือนกับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็เสียคือเครื่องเสียเราไม่สามารถโทรติดต่อให้กลับเขารับให้เขารับสายได้เพราะเครื่องเขาเสีย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 เพราะว่าร่างกายเขาไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้ไม่สามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพะให้ไปสู่จักขุวิญญาณให้ไปสู่จิตได้อีกทีนึ่งแต่จิตก็ยังอยู่เพราะว่ามันยังไม่ขาด จ, จากกันจะขาดก็ต่อเมื่อร่างกายหมดลมหายใจจิตถึงจะปล่อยร่างนั้นไปแล้วทางไหนเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะทาให้เขาได้ครับอาจารย์ ก็ทำตอนนี้ก็มีสติอย่างเราอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ชวน้ามาชนก็มาวัดมาทมมาบุญมาฟังเทศกระธรไปทำตอนนี้ก็ททำไม่ได้ได้แล้วแตตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ไม่ยอมมาอย่างนีตอนนี้เขาสุขเขาสบายเขาก็อยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มมากกว่าที่จะมานั่งหลังขดหลังแข็งมานั่งฟังสิ่งที่เขาไม่เข้าอกเข้าใจ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 ถ้าเราทําหน้าที่ของเราแล้ว <_ êm> เขาเขาไม่ทําหน้าที่ของเขาก็ช่วยไม่ได้นี่พระอาจารย์ครับเคยเคยเห็นอยู่หลายครั้งครับที่บางคนเนี่ยใกล้ตายหรือเป็นพระภิกษุสงฆ์ใกล้มรณะเนี่ยบางคนจะกล่าวว่าขอแบ่งชีวิตที่เหลือของตัวเองให้ <_ l ap> อย่างนี้ <_ l ap> เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ <_ l ap> แบ่งยังไงแบ่งชีวิตเหมือนกับอ่าเหมือนกับอธิษฐานแบบแบ่งชนะีวิต ส่วนบางส่วนของเราเนี่ยให้เพื่อต่ออายุของคนที่ได้ก็บริจาคกายวิวัฒนไปไงถ้าใครต้องการตาก็ออกไปใครต้องการตับก็ออกไปก็อย่างนั้นก็ต่อชีวิตของเขาได้ขอคาถามไหมครับอข อ, อวิธีการฮะที่จะจะคิดถึงความตายตลอดเวลาคิดยังไงฮนะง <c oughs> ก็นึกอยู่เรื่อยๆท่องตอนๆ้ระท่องไปก่อนก็ได้ว่า เราเกิดมาแล้วมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ท่องไปอย่างเงี้ยท่องไปก่อนออไม่ต้อ ง, องดู<ป>คนตายก็ได้ไม่ต้องดูหรอกให้จําไม่ให้ได้ก่อนว่าเราต้องตายเอท่องไปเรื่อยเืยเนี่ยตื่นขึ้นมาพรลืมตายก็บก่าในวันนี้เราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ความตายมันอยู่แค่ปลายลมปลายจมูกเองหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้คิดอยู่อย่างเงี้ยคิดถึงเรื่องของความตายว่า เรามีโอกาสที่จะตายได้ทุกขณะทุกเวลาอข้อสองวิธีการเพ่งอสุพะนี้ทํำยังไงล่ะครับอสุพะก็หมายถึงให้เรานึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่จะได้ทําลายกามอารมณ์เช่นตอนนี้ก็มีประกวดนางงามเนี่ยเราก็ดูเพ่งเข้าไปในใต้ผิวหนังเขาดูโครงกระดูกเขาบ้างดูตับไตไส้พวงดูปอดดูหัวใจเขาบ้าง อย่าดูแต่หนังของเขาอย่าดูแต่รูปร่างหน้าตาของเขานี่ก็คือดูอสุภาพเพราะดูสุภาพแล้วมันก็จะปล่งได้มันจะไม่เกิดความอยากจะได้เขามาเป็นแฟนอันนี้คนคนจะจ้องดูนางงามใครจะเป็นใครจะมาจองเป็นเจ้าของกันนั่นก็เพราะเขาไม่ได้ดูสุภาพกันถ้าเขาเห็นสุภาพแล้วเขาก็จะไม่จองให้เสียเงินเสียเสียทองเสียเวลาแล้วแล้ว แล้วแล้วพิจารณาใจรักณนี่ทํำยังไงให้แบบง่ายๆครับก็แบบเดียวกันนะพิจารณาว่าไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงก็คือทุกอย่างมีเกิดแล้วมีดับไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นต้องคิดถึงตอนเด็กแล้วก็โตแล้วก็แก่แล้วก็เป็นกระโดดเห็นไหมไหมครับก็ได้แล้วแต่เราจะคิดได้ทั้งนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลวซื้อรถมาวันนี้เดี๋ยวสองปีมันก็เก่าแล้วอันนี้ก็เป็นอนิจจังให้ให้คิดอย่างนี้บ่อยๆใช่ไกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าทุกอย่างเมื่อมีมีเจริญแล้วมันต้อง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 เห็นที่เขาเขียนนะครับว่าเกิดนิมิตแบบแบบเห็นร่างกายเป็นโปะพังสลายเพรมันจะเกิดตอนไหนยังไงอะไรอย่างงี้ยนั้นก็เกิดจากที่เวลานั่งสมาธิส่วนหนึ่งหรือเวลานอนหลับนับฝันไปก็เกิดขึ้นได้แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราพิจารณาไว้ก่อนเราดูมาก่อนแล้วมันฝังอยู่ในใจแล้วพอใจเราสงบมันก็จะผล่ขึ้นมาให้เราเห็นได้ มีคำถามอีกไหมต่อไปเป็นคำถามทําสถานการณ์ครับอาจารยา์ผู้ที่เล่นการพนันบอลโลกนี่ครับกรรมที่นอกจากเสียเงินแล้วมีกรรมอะไรอีกครับอาจารย์ก็คือไปทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยคนที่เสียการพนันเขาก็ต้องเสียเงินเสียทองก็อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมาม า, มาเล่นการพ น, นันเราก็เราได้ความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่น เช่นเดียวกับเวลาเราเสียเขาก็ได้ความสุขจากกองทุกข์ของเรางั้นการได้ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่ชอบอเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการทําบาปทํากรรมต่อผู้อื่นเราก็ไม่ควรที่จะทําควรจะหาธรรมากินด้วยอาชีพที่สุดเจริญที่ไม่มีใครเดือดร้อนจากการจากการได้รายได้ของเรา อ, อันนี้ถึงจะเป็นสัมมาชีพ การเล่นการพานาันนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นอาบายยมุกเพราะเล่นแล้วมันก็จะติดเวลาได้ก็จะใช้เงินแบบสู้รุยสู้รายและเวลาเสียก็จะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินหรือไปรักไปรักขโมยไปช่อโกงเพื่อที่จะได้มีเงินมาเล่นต่อก็จะนำไปสู่การทำบาปและอาจจะต้องเสียชีวิตได้จากการเป็นหนี้เขาแล้วไม่มีปัญญา จ, าจ่าย ผูที่มีที่พ้นต้องการจะทวงหนี้เขาก็อาจจะต้องข่าเราเพื่อเป็นธรรเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นที่กู้หนี้ยืมเสร็จจากเขาจะได้กลัวไม่กล้าที่จะบี้ยอันนี้ก็คือผลต่างๆที่จะตามมาที่เกิดจากการเล่นการพนันท่านบอกว่ า, าขโมยขึ้นบ้านมันก็เพียงแต่ขโมยได้แต่ข้าวของไฟไหม้บ้านมันก็ได้เพียงแต่ไหม้บ้านที่ดินยังอยู่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 มุกก็แปลว่าทวารหรือประตูถ้าใายไปเล่นอบายมุกก็เหมือนกับไปเย็นอยู่ที่ปากประตูโอกาสที่จะเข้าไปในอบายมันมันนิดเดียวเท่านั้นเองเด็ดง่ายมากอเกรนนพราะเสียการพนันก็ต้องไปทําบาปแล้วฆ่าเขาหรือว่าไปรักทรัพย์เพื่อที่มาใช้หนี้ต่อไปงั้นอย่าไปทําบางคนอาจจะคิดในเชิงที่ว่าเป็นเงินของเราเราเสียก็เรื่องของเรา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 ที่ถ้ามีเหตุมันก็มีผลตามมาถ้าไม่ต้องการผลแบบนี้ก็อย่าไปสร้างเหตุแบบนี้ท่านนี่เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ